ที่ฟังว่าเข้าใจในเนื้อหาของของเรื่องว่าเอาบาททองคำมาทำให้แตกในณนณะนะเวลานั้นก็ก็เข้าใจว่าไม่ยึดถือไม่ยึดไม่ยึดติดอะไรณณนะนะเวลานั้นเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ไปต่อไม่ได้ครับแต่ก็คือว่ารู้แค่ว่าก็อย่าไปยึดถืออะไรแต่แนวทางปฏิบัติ ที่จะเอาข้อความตรงนั้นมามาปฏิบัติต่อเนี่ยต้องต้องมีหนทางอย่างไรบ้างครับคือทราบแต่ไปไปต่อไม่ได้อะครับแต่ก็รู้ว่าก็อย่าไปยึดถือมันอย่าไปเอาอะไรอย่าไปเอาอะไรมายึดติดมันง่ายๆอย่างนี้มันตรงไปตรงมาร่างกายของเราเนี่ยกายเนื้อเนี่ยมันคงที่หไหมอ่สือใหม่ไว กลายเปนของที่ไห ม, ไมก็คอยตอบนะไม่ครับไม่คงที่มันเป็นยังไงก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเออแล้วที่สุดเป็นยังไงก็ไม่มีครับเออมันก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไปใช่ไหมครับตายไปน่าเปิดภูกพางอันเนี้ยมันเป็นของตายร่างกายจะเป็นของตายของที่มันตายได้เราอย่าไปอย่าไปอยู่กับมันอย่าไปยึดถือมันปล่อยวางมันจากใจก็ไป็นซะ อย่าไปหลงยึดถือมันอย่าไปวุ่นยายไปียงวนเพราะว่าใจเราก็ยอมรับแล้วว่าร่างกายที่เป็นของตายมันเป็นของเกิดของแก่ของเจ็บของตายแล้วเป็นของตายนี่อันหนึ่งเร า, ม, า, ายยมันพิจารณาอยู่บ่อยบ่อยมันพิจารณาอยู่บ่อยบว่าร่างกายเนี่ยมันมีต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายพี่นั้นย้อนถอยหลังไปแล้วเราเป็นตั้งแต่เป็นเด็กเป็นทารกมาแล้วก็ตั้งแตอยู่ในท้องในครรภ์ของแม่ แล้วก็เป็นทารกแล้วก็มาเป็นเด็กแล้วก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวจนนี้เราก็เริ่มอายุมากแล้วครับแล้วก็ทีสุดก็ไปคนแก่แล้วคนเจ็บแล้วก็คนตายแล้วก็นาไปผูกพางไปแล้วเราก็ยอมรับว่าร่างกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของตายเราจะไปยึดมันของตายอ่ะครับยึดไม่ได้ยึดยังไงมันก็มันก็ต้องเป็นของตายเราไปยึดมำไมเราไมบอกว่าเป็นของตายยึดไม่ได้ยังยึดยังไงก็เของตายครับเนี่ยอันนี้ยอมรับไหม ยอมรับับเนาะร่างกายเรียกว่ากายเนื้อแล้วในตัวเราเนี่ยมันมีอีกกายหนึ่งคือกายจิตครับกายจิตหรือก็เรียกว่าจิตตสังขารกายนี้ก็เรียกว่ากายสังขารส่วนกายจิตเรียกว่าจิตตสังขารเรียกว่ากายจิตกายจิตเนี่ยก็คือไอตัวเราที่คิดได้เนยที่คิดที่นึกจิตตึกที่ตอนที่มีอารมณ์ต่างๆได้อันนี้คือกายจิตตทเนี้ยไอกายจิตเนี่ย เราก็พิจารณาดูให้ดีๆดิการจิตที่มันคิดนึกติดตรองปรงแต่งได้ที่มีอารมณ์ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวผองใสเดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวหดผูเดี๋ยวเบื่อเซ็งกุ้มเดี๋ยวก็ผองไสเดี๋ยวเศร้าหมองอยู่อย่างเนี้ยมันเป็นของเที่ยงไ้ยไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเห็นไหมเราพูดเองนะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็คิดอย่างกับเดี๋ยวก็คิดอยงโน้นเี๋ยวก็คิดอย่างนี้คิดแล้วก็ดับไปหายไปมีอารมณ์อย่างนี้แล้วก็ดับไปหายไปดีก็ดับไปหายไปผองไสเดี๋ยวก็ดับไปหายไป ไม่วังไส่ก็ดับไปหายไปสุขเดี๋ยวก็ดับไปหายไปทุกข์ก็ดับไปหายไปคิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับไปหายไปเมียลงอะไรขึ้นมาก็ดับไปหายไปมันเน้นกายจิตเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเราบอกแล้วใช่ไหมมันก็เป็นของตายของดับในร่างกายของเรามีแค่สองอย่างคือกายเนื้อกับกายจิตซึ่งมันเป็นของไม่เที่ยงเราก็ยอมรับกายเนื้อก็เป็นของไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายน่าเปื่อยหูพังไปกายจิตเนี่ย ไอ้ตัวเราเนี่ยที่คิดที่นึกที่ติดติอมมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงไอ้ตัวเราที่นั่งนั่งฟังธรรมลงตาที่จับต้องตัวเราได้เนี่ยมันก็ไม่ของไม่เที่ยงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายน่าปยดปวดฟังไปไอ้กายจิตเนี่ยมันมันก็ไม่มีตัวตนจริงๆมันคิดแล้วมันกระดับไปมีอารมณ์แล้วมันกระดับไปคิดแล้วกระดับไปมีอารมณ์แล้วกระดับไปเปลี่ยนสลับหมุนเวียนไปเรื่อยๆมันก็เป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของตายปล่อยวางไปได้หมดไอ้กายเนื้อไอ้กายจิตเป็นของตายอย่าไปยึดถือมัน ปล่อยวางมันจะต่อเวลาพี่นายเห็นว่ากายเนื้อกับกายจิตเป็นของไม่เที่ยงไม่มีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราและในร่างกายนี้ที่เป็นกายจิตก็ไม่ใช่เป็นตัวเราอยู่จริงไม่มีตัวตนของเราอยู่จริงในกายจิตที่คิดได้ตองปรงแต่ได้มีลมได้ก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่จริงเป็นของตายเพะั้นเราปล่อยวางกายเนื้อกับกายจิตไปหมดแนละสิ้นเราจึงจะไปพบอีกอย่างหนึ่งคือใจหรือจิตเดือบแท้หรือเรียกว่ากายพุทธะ ไม่มีกายหรอกเรียกว่าพุทธะเป็นของไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายพุทธะเนี่ยมีอยู่แล้วในทุกคนมีอยู่ในสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ในพุทธเจ้าและฟ้าล้านทั้งหมดมีอยู่ในมรรคจุลทั้งหมดคือความไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายเป็นอมะตะพุทธะคือผู้รู้แจ้งผู้รู้แจ้งผู้ลดพ้นจากสิ้นผู้รู้พ้นสิ่งพ้นจากการสิ้นหลงยึดเอาสังขารกายเนี่ยและก็สังขารจิตว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา เพราะพิจารณาเห็นแล้วว่าทั้งกายเนื้อเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแก่ของเจ็บของตายของเน่าของตายจะพิจารณเลยของตายและในตัวกายเนื้อก็เป็นมีกายเราไม่มีตัวเราเพราะว่าไอ้ตัวเราคือกายจิตที่มันคิดนึกปรุงแต่งได้ที่เราหลงว่าเป็นตัวเรามันก็เป็นของไม่เที่ยงมาเป็นของตายเราไปยึดทำไมกับของตายปล่อยวางมันได้หมดเมื่อเราปล่อยวางทั้งกายเนื้อและกายจิตเราจึงพบพุทธะที่อยู่ในตัวเราทุกคนคือพุทธะคือ ผู oa, ้คนจะหุดค hmm. well, the ้นจากความหลงยึดม yes, yes sal nice. ั่นถือมั่นทั้งกายเนื้อและกายจิตหลงยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายที่เราเนี่ยกายนอกเนี่ยว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราและสิ้นหลงยึดมั่นถือมั่นว่าในตัวเราเนี่ยในตัวกายเนื้อเนี่ยมีตัวเราซึ่เป็นกายจิตเนี่ยเป็นตัวตนของเราจริงๆเราก็เห็นว่าไอ้กายจิตที่อยู่ในตัวเราเป็นของไม่เที่ยงไม่มีกายเนื้อและกายจิตที่เป็นของตัวตนของเราอยต่อไปจึงไปพบใจหรือจิตเดิมแท้หรือพุทธ ซึ่งไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความรู้ว่าทั้งกายเยนื้อและกายจิตเป็นของไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ใจของเจ้าของเองนั่นแหละหรือพุทธะนั่นแหละมีแต่ความว่างเปล่าคือรู้ว่าตนของตนก็คือใจตนนั่นแหละเป็นของว่างเปล่าแท้จริงสิ่งนั้นเองไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายมันอยู่ลึกเข้าไปข้างในของกายเนื้อและกายจิต เกายเนื้อก็เปรียบเหมือนกระ บ, บอกไม่ไผ่เนื้อไม่ไผ่ผิวไม่ไผ่กายจิตซึ่งมันเหมือนกับขแขนงที่มีน้ําเต็มเลยรอบลําไม่ไผ่เราทะลุทั้งกายเนื้อและกายจิตแขนงมันทำลายหมดแล้วก็ทําลายความหลงของกายเนื้อคือทําลายกระ บ, บอกไม่ไผ่ที่เป็นเนื้อไม่ไผ่หมดเราก็จะทั้งทําลายขแขนงมันที่เป็นน้ําแหลมคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ ผ่านเข้าไปไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวไปถึงกายเนื้อก็ผ่านไม่ยึดร่างกายเนื้อไม่ยึดกระบอกไม้ไผ่ผ่านหมดเลยจึงเข้าไปถึงกลางกระบอกไม้ไผ่เป็นอะไรจิตครับนั่นเนี่ยคือจิตเดิตเดิมแท้หรือใจดั้นเดิมแท้หรือพุทธะคืออยู่ในใจของเราเนี่เองอยู่ศูนย์กลางเข้าไปข้างในน้นแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนหรอกมันไม่มีที่อยู่เพราะอะไรเพราะมันมีแต่ความว่างเหมือนกับ ศูนย์กลางของกระบอกไม้ไผ่นั่นแหละตรงกลางของกระบอกไม้ไผ่มีแต่ความว่างนั่นแหละคือใจนั่นแหละใจมันจึงไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ความว่างเปล่าเหนือสุขเหนือท right. ุกข์อยู่กับใจของเจ้าของไม่เอาใจของเจ้าของไปอยู่กับอะไรอยู่กับใจของเจ้าของใจนั่นแหละมีแต่ความรู้ที่ว่างเปล่า อ, อ, อยู่มีแต่ความรู้ที่ว่างเปล่าอยู่กับใจของเจ้าของไม่เอาใจของเจ้าของไปอยู่กับอะไรพา อ, อารามนั้งหลายอยู่กับใจของเจ้าของอยู่กับรู้ไม่เอาใจของเจ้าของไปอยู่กับอะไรเลยแล้วพอถึงข่าวสิ้นอายุไขไอ้กายเนื้อก็แตกดับไปจริงๆไอ้กายจิตที่มีความคิดนึกคิดตอนปุ่งแตกก็ดับไปจริงๆรเหลือแต่ใจที่ว่างเปล่านั่นแหละหายตัวไป เป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของธรรมชาติจักรวาลอย่างเป็นอมตะนี่แน่คือที่สุดของการปฏิบัติจะอะของมันเป็นมีมันเห็นอยู่แล้วจริงๆแล้วก็พิจารณามันเข้าจนใจมันยอมรับตามความเป็นจริงและที่สุดก็อยู่กับใจของเจ้าของที่วางเปล่าที่ไม่ยึดอะไรเลยอยู่กับใจของเจ้าของก็คือไม่ยึดอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยสักอย่างเดียวอยู่กับใจอย่างเดียวสบายแฮรแต่ถ้าเอาใจไปยึดอะไรไปอยู่กับอะไรทุกทั้งนั้นเลย แม้แต่อยู่กับร่างกายก็ทุกอยู่กับความคิดก็ทุกไปอยู่กับยิ่งอยู่กับนอกร่างกายเราไปยิ่งทุกข์ญงที่สุดมาอยู่ทางรํางกายเราไม่อยู่ทั้งกายจิตที่มันมีความรู้สึกมาคิดอะไรได้เราพิจารณาอยู่บ่อยู่ประจำแล้วก็ปล่อยวางมันให้มันดับไปทุกครั้งที่เราจะนอนเราต้องฝึกอย่างเนี้ปล่อยมันดับไปโดยเราไม่ห่วงใหญ่ทั้งกายเนื้อและกายจิตกายเนื้อก็ปล่อยให้ลมหายใจมันดับไปกายจิตก็ค่อยๆความรู้สึกตัวและความ คิดความลึกความตึกความตองอะไรต่างๆก็ปล่อยมันค่อยๆดับไปดับไปต่อดับไปแล้วก็หลับวูบไปเนี่ยตอนหลับแต่ความตายก็คือมันก็เหมือนกันคือตายหมดหมดห่วงใหยปล่อยให้กายเนื้อดูให้กายเนื้อมันค่อยๆหมดลงมาใจไปเอกกายจิตเกิด <c oughs> ความรู้สึกตัว <c oughs> ความคิด <c oughs> ความลึกความตึกความตองก็ค่อยๆค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปเหมือนตอนเราจะหลับมันก็เบลอเบเบลอเบลอไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดอะไรเลยปล่อยให้มันหลุดไปดับไปดับไปต่อหน้าต่อตาใจ ใจไม่ยึดอะไรไม่เอาอะไรเลยปล่อยมันดับไปต่อหน้าต่อตาใจแล้วก็ดับบึ้บไปหรือแต่ใจที่วางเปล่าไม่ยึดอะไรไม่วมใหญ่ไม่กัวงวลอะไรนั่นแหละเป็นที่สุดของการปฏิบัติฝึก ข, ขัดอย่างนี้ใหํานานนะมีชีวิตอยู่ก็ไม่ทุกข์อะไรตายแล้วก็จบลงสิน้นความเวียนวนสิ้นการไปเกิดใหม่ในโลกทั้งสามตายแล้วที่เมื่อกี้ที่เราถามว่าที่ว่ามีพระองค์หนึ่งที่ท่าน สิ้นยึด้มหมดแล้วแล้วเข้าฌานจนจั ก, กรพรรดิสัตย์ว่าเป็นพระอริยสงฆ์ที่สิ้นในพระอริยสงฆ์แล้วก็เลยเอาบาทยกกุ้มทองมาให้มาถวายแล้วก็สุดท้ายไปหลงยึด ต, ติดในบาทยกจริงคุ้มทองนั้นตอนที่จะตายยมทูต ก, ก็มารออาแต่ยมทูตหาไม่เจอเพราะว่าเขาอยู่ในฌานเข้าอยู่ในฌานแต่ยมทูตหาไม่เจอยมทูต ก, ก็เลยไปถามพระภูมิเจ้าที่ ลูกเจวดาภุมเจวดาว่าเอ๊ะทำไมหาจิตวิญญาณของพระองค์นี้ไม่เจอทรานนี้บอกว่าท่านยังไม่สิ้นยึดเพราะว่าถ้ายึดอะไรก็จะไปหาไปอยู่ที่นั่นแหละพระองค์นี้ยังยึดอยู่ที่บาดหยกภุ้มทองนี้ให้ท่านไปเคาะที่บาดหยกนี้เบาๆแล้วก็เดี๋ยวลระองค์นี้ยก็จะออกจากฌานมาแล้วก็มาที่บาดเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามีตัวตนแล้วออกไปได้โยมทุ ก, กข์ก็เลยไปเคาะบาดนี้ เอาข้อบาทนี้พบพระักที่นั่งที่เข้าฌานอยู่ยึดบาทนี้พอเสียงเสียงบาทรใครมาข้อบาทรจบก็ออกมาพอจากฌานมาแล้วก็มายึดยึดเนี่ยความยึดบาทยกเอาห่วงแล้ก็มี ต, ตัวมีตนเขาก็จับเอาไปนรกตอนที่จะตามไปนรกก็วังนี้ก็เลยเห็นโทษว่าเขาจะพาไปนรกก็เพราะว่ายึดบาทยกเองอย่งอื่นไม่ยึดแล้วแต่ยังยึดบาตยกไว้ความยึดนี้ไม่สิ้นเขาเลยมาหาตัวเจอยึด ม, มาทุจะิตไปนรกก็เลยข อ, อยมมร้องอยึดมาทุจริตขอเวลาสักครู่ได้ไหม บอกว่าได้เลยทุ่มบาดยกแตกเลยหายตัวไปเลยจิตสินตส้นยึดพอสิ้นยึดปุ๊บก็เข้าไปสิงใจที่ว่างเปล่าคือตรงกลางเอาก็บอกไม่ไผ่ยังไงหายตัวไปหาไม่เจอเลยเหมือนกับตรงกลางเขาบอกไม่ไผ่คือแขนงอะไรก็ตายล้วดับแล้วคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์กินแขนงน้ําต่างๆก็แตกดับทำลายหมดแล้วตายร่างกายคือลมหายใจเขาออกก็ก็บอกไม่ไผ่ก็ดับแล้วทุกอย่าง ก็เหลือแต่ใจที่แกนกลางมาบอกไม่ไพ่ใจที่ว่างเปลา่าที่ไม่ยึดอะไรจนมาทุ่ดก็หาจิตวิญญาณไม่เจอหาใจของเปล่านี้ไม่เจอก็หายตัวไปเลยอย่างนั้นเนข้าใจไหยไม่ยากไม่ยากพี่จะพิ จ, พจารณาครับกลับมารล้วพิการหลวงตาครับตอนนี้ผมก็กําลังดูใจอย่างที่หลวงตาบอกเมื่อวานคะรับเรื่องว่าใจดีหรือใจไม่ดีก็ให้ดูซื่อๆครับแล้วตอนนี้คุยกับแจ็คเ่าตอนเย็นครับก็ มีคำว่าไม่มีตัวตนนะครับนี่ก็เลยสงสัยว่าการการละละไม่ให้มีตัวตนนี่ครับมันต่างการดูใจไหมแล้วก็ต่างจากที่ปล่อยวางเมื่อตะคู่นี้ไหมครับธรรมชาติธรรมดาเนี่ยใจแท้ๆเขาไม่มีตัวตนอยู่แล้วถ้าเราไม่ยึดอะไรก็ไม่ต้องละก็คือเป็นใจที่ไม่มีตัวตนแต่ถ้าเรายึดอะไรอยู่เราต้องละความเป็นตัวตนก็หายไปเหมือนดังพระองค์นี้ที่ติดยึดบาตรยกะ พอท่นสิ้นยึดบาดยกขนั้นนี่ยความเป็นตัวตนของท่านหายไปเลยจิตวิญญาณก็หายตัวไปการไปใจที่ว่างเปล่าไอ้นั่นแหะถ้าเราไม่ไปยึดอะไรมันก็เป็นธรรมชาติของใจที่ว่างเปล่าอยู่แนละ้วโดยไม่ต้องไปปล่อยวางอีกแต่ถ้าเรายึดอะไรเราต้องปล่อยวางเหมือนพอดีตอนเย็นคุยเรื่องเรื่องการทํางานครับเหมือนว่าเราทํางานกิจวัตรประจําวันนะครับมันอาจจะมีช่วงที่อดนอนหรือว่าทำงานหนักเนี่ยแต่ก็บอกว่าใช้วิธี ลาความตัวตนของตัวเองนะแล้วก็มันก็จะเหมือนการรีเซ็ตขึ้นมาใหม่ผมก็เลยสงสัยคําเนี้ครับ อ, อ, อันนั้นมันคือว่าเราแค่เหนื่อยร่างกายเหนื่อยแล้วเราแอคทีฟขึ้นมาจะทําให้มันอิ่มขึ้นมาสดชื่นขึ้นมายังไม่ใช่ว่าเป็นการละความละตัวตนคือ <c oughs> มันมันเหนื่อยเพียเราก็ใช้แอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟก็ให้มันตื่นตื่ น, ต, นตื่นเบิก บ, บานมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ของสัมถะาาเป็นอารมณ์ปิติ อารมณ์ปิติมันตือนตัวตื่นตัวเป็นอารมณ์ปิติสุชาทราบทราบขึ้นมาแล้วก็มันก็อิ่มเอิบขึ้นมาคือใจที่มันเหนื่อยเหนื S, ่อยเพียรพก็อาศัยออารมณ์สมถะเขาเรียกว่าอารมณ์สมถะคือใจที่มันอิ่มเอิบขึ้นมาใจอิ่มอิมเป็นสุขขึ้นมาเรียกว่าอารมณ์สมถะสมถานี่ไม่ใช่ว่าใจนิ่งเฉยนะออารมณ์สมถะคือใจมันอิ่มอิมเป็นสุขเนี่ยใจมันอิ่มขึ้นมาพอใจมอิ่มขึ้นมาความเหน็่เหนื่อยทั้งหมดก็หายไปอันนี้คือร่างกายเราอ่อนเพียทํางานในทางโลกไ เราก็ต้องใช้ตัวเนี้ไปเป็นตัวช่วยคือช่วยร่างกายเราก็เหมือน hmm. <akkor S 1> คล้ใช้อย hmm. ่างเงี้ยร่างกายเราไม่สบายเราก็ต้องช่วยพาตัวเราไปหาหมอขอช่วยพาตัวเราไปหาหมอร่างกายแล้วก็กลับมาเป็นปกติทํางานได้เดี๋ยพอตอนที่ร่างกายเรามาใช้งานมากไปทํางานกลางวันเนี้ยอย่างลุงตาสอนทวกท่านทั้งเช้าทั้งเย็นอย่างเงี้ยร่างกายก็เหนื่อยครับร่างกายก็เหนื่อยพอเหนื่อยเจ็ดลุงตาไปนอนพักสักครู่หนึ่งก็ฟื้นเขาเรียกว่าอะไรต้องต้องมีเวลาที่จะซ่อมมันเหมือนกับว่าซ่อมตัวเอง สอบร่างกายไปนอนสักหน่อยหนึ่งก็ฟื้นแหละเดี๋ยวตอนเย็นก็นมาสอนต่อยสอนเช้าสอนเย็นสอนเช้าสอนเย็นก็พักสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ฟื้นแล้อิ่มใจมนก็อิ่มขึ้นหม่อยละใจก็อิ่มขึม้นละก็คือต้องต้องพักดีก็ต้องนอนพักบางทีก็ต้องนั่งหลับนั่งหลับตาเอาแต่ใจอ่ะมันพอไม่ร่างกายมันได้พักสักกูง เ, เนี่ยใจมันก็พักไปด้วยแต่พักไม่ได้ไปทำนิ่งๆหรอกคือมัน ใจมันไม่เป็นสัายอะไรอยู่กับใจของเจ้าของมาอยู่กับใจของเจ้าของสักพักหนึ่งเราที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พลังงานพูดออกมาไม่ได้ไม่ต้องสูญเสียพลังงานพูดออกมาเนี่ยก็ไปอยู่กับใจของเจ้าของนิ่งๆสักพักหนึ่งไม่ใช่ว่าไปทําใจนิ่งๆนะคือเมื่อไม่สรงจิตออกไปนอกไปไหนแต่ตามชําชนาญแล้วเ่งพวกท่าม น, านมาชํานาญก็จะเมอดึงลมหายใจยาวๆสักพักหนึ่ง <S <S <ๆ S 1> หายใจยาวๆชื่นใจเอาออกซัเย็นเข้าไปเยอะๆมันก็ทําให้สดชื่น แต่ต้องตามชำนาญแล้วเพียงแต่ก็หยุดพูดหยุดคุยหยุดสอนพวกท่านก็แล้วก็หยุดนิ่งๆเฉยสักคู่เดียวก็ฟื้นแหละร่างกายก็ฟื้นคือมีความชำนาญอันนี้คือเนการฟื้นร่างกายเฉยฟื้นร่างกายให้มันคืนตัวกลับมามีกําลังเหมือนเดิมมันไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของอะไรการปล่อยวางตัวตนการปล่อยวางตัวตนก็คือสิ้นความยึดมั่นถือมันนั่นคือการปล่อยวางตัวตนคือไม่เข้าไปยึดถือสิ่งใด สำคัญที่สุดคือไม่ไม่ยึดถือร่างกา ย, ย, G าย ue, และไม่ยึดถือกายกายเนื้อและไม่ยึดถือกายจิตคือไอไอตัวเราทีา ue, ่ไอผู้คิดผู้นึกผู้ตื่นผู้ตอบผู้มีอารมณ์ว่าเป็นเ ine, ราเป็นตัวเราคือถ้ายึดถือกายเนื้อก็ยึดถือว่าไอไอร่างกายตัวเราเนี่ยเป็นตัวเราพอยึดถือไอไอจิตที่มั น, นมันคิดมันนึกมันตึ่นมันตอบมันพูดมันมีอารมณ์ได้เราก็ยึดถือว่าในกายเนื้อเนี่ยนี่ตัวเราคือไอตัวที่คิดได้พูดได้ไอตัวที่คิดนึ่คือตอบปรุงแต่งมีอารมณ์ได้ว่าเป็นตัวเรา ที่พระเจ้าตัดว่าคนทั้งหลายในโลกเนี่ยผมบอกว่ากายเนื้อเนี่ยไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องหน้าเปื่อยผุพังสลายไปหมดสิ้นคนั้งหลาในโลกเนี่ยพอฟังพุ๊บเข้าใจง่ายแต่คนทั้งหลายเนี่ยก็จะไปยึดเอาไว้ในตัวกายเนื้อเนี่ยมีตัวเราอีกตัวหนึ่งคือไอตัวที่มันคิดนั่นคือตองปรุงแต่งได้ที่พูดอะไรได้อยู่ในใจคนเดียวเนี่ยที่พูดอะไรอยู่ในใจได้คนเดียวเนี่ยเป็นตัวเราอีกตัวหนึ่งเขาก็ยอมให้ตัวกายเนื้อดับไป แต่ความรู้สึกเป็นตัวเราอยู่ข้างในไอ้ความรู้สึกเป็นตัวเรามันต้องคิดไงมันต้องคิดมันถึงรู้สึกเป็นตัวเราได้ถ้านั้นไม่คิดติดต ong ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกเป็นตัวเราหรอกไอ้ความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยคือมันใช้ความคิดใช้ความนึกความตึกความตองมันจึงรู้สึกเป็นตัวเราขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าเราเห็นว่าความคิดความนึกความตึกความตองที่มันรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นกายจิตเราก็เห็นว่าไอ้ความคิดหรือกายจิตทั้งหมดเป็นไปของไม่เที่ยงตอนในขณะที่เราเนี่ย มีความคิดมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยมีความรู้สึกเป็นตัวเราพอเรามีเรื่องไปพูดคุยกับคนอื่นไอ้ความคิดความรู้สึกก็เป็นตัวเรามันก็หายไปเพราะว่าขนาดนั้นมันยังไม่มีเรื่องไปพูดคุยใครพอไม่มีเรื่องพูดคุยใครมันก็มาคิดนึกตึกตองถึงเรื่องตัวเราเองพอเราไปมีเรื่องอื่นไม่มีเรื่องอะไรมากระทบใจเราก็ไปอยู่กับอะไรเพลินเพิเราก็ลืมลืมคิดลืมนึกลืมตึกลืมตองว่าเรื่องของตัวเรา ตอนนี้มีเรื่องมันกระทบแก่เรื่องในการโยกย้ายตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ย<ช>เราก็จะมีความรู้สึกถึงตัวเราตัวเราตัวเราอยู่เพราะว่าอันนี้ก็คือมันต้องใช้ความคิดความรู้สึกที่ปรุงแต่งขึ้นมาจึงมีตัวเราแต่เราไม่รู้สึกว่ามีความคิดความรู้สึกขึ้นมาปุ๊บไอความรู้สึกเป็นตัวเราจะดับไปคร<ช>ับพูดง่ายๆเปรียบเทียบคล้ายๆกับตอนเราหลับอ่ะเรานอนหลับใ ช, ใช่ไหม<ๆ>คมรับก็นอนหลับสนิทอ่ะเรานอนหลับสนิทไอเราสังเกตดูสิ ไอ้ความคิดความนึกความสึกความตองเรื่องตำแหน่งเราเราจะย้ายไปที่ไหนเราจะอยู่ที่นี่เราจะอยู่ที่นี่เราตัวเราจะปฏิบัติทํำยังไงตัวเราจะทํายังไงเึื่อจะทําลายความเป็นตัวเราได้เราจะทําลายความเป็นตัวเราได้ยังไงเราจะทําเราจะทําไงึงเพ่อไม่ตัวเราสิ้ยึดอะไรเงี้ยความคิดเหล่าเนี้ยความรู้สึกเหล่านี้ยมันมีไหมไม่มีไม่มีกันตอนเราหลับมันก็ไม่มีแล้วความคิดความนึกความรู้สึกอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยพอเราตื่นมาปุ๊บมันยึดทันทีเลย ใอ่คพอตื аем, elected, matter, it, ่นมาเราเราก็คิดโกติปกติก็คิดจะพยายามจะทำลายตัวเราความเป็นตัวเราแต่ตอนนอนหลับเนี่ยไม่ได้คิดจะทำลายความเป็นตัวเราหรอกเพราะว่าตัวเราไม่มีตอนนอนหลับมันไม่ได้คิดว่ามีตัวเรามันแล้วไม่ได้คิดจะทำลายตัวเราเพราะมันไม่ได้คิดว่าตัวเรามีหรือไม่มีมันก็เลยไม่คิดจะทำลายตัวเราอั้นมันมันคิดซอนคิดคือคิดว่ามีตัวเราแล้วไปคิดจะทำลายความเป็นตัวเรา แต่ถ้าเราเนี่ยฉลาดเป็นคนฉลาดฟังปุ๊บเดียวเข้าใจง่ายๆเลยว่าอ้าวอีตอนนอนหลับเนี่ยความคิดว่าเป็นตัวเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราไม่มีแล้วไอ้ความคิดที่คิดจะมาทําลายความรู้สึกเป็นตัวเราก็ไม่มีอีกเพะนั้นความคิดเราเป็นตัวเรามันไม่ได้มีอยู่จริงมันมีตอนที่เราหลงคิดปรุงแต่งว่ามีตัวเรารู้สึกเป็นตัวเราแล้วไปเอาความคิดมากําจัดทำอย่างไรที่กําจัดความเป็นตัวเราให้ได้ พยายามมหาครูบาจารย์และวทำลายหาความคิดทุกวิธีการพยายามาไปทําทุกวิธีการทั้งรูปแบบทุกวิธีไม่ว่าจะวิรูปแบบใดเพื่อจะทําลายความเป็นตัวเราแต่แท้จริงเนี่ยมันใช่มันหลงคิดซ้อนคิดผู้ไม่มีปัญญาอ่านใจตัวเองไม่ขาดเหมือนกับพระกลางวานพวกท่านเดินไปไหนมาไหนทั่วเลยพอตกกลางคืนนั้นไปอยู่แถวตายต้นโบคนเดียววัวผีแล้วนี่กลางวานจะเดินทั่วหมดแหละ ผีไม่มากลางวันแต่ดูหนังผีมากว่าผีมาเฉพาะกลางคืนปุ้งเลยก็ผีมีตัวพอผีมีตัวปุ๊บก็คิดว่าจะทําลายยังไงเพื่อจะหายกลัวผีก็พยายามเอาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมาฆ่าผีฆ่าความกลัวผีแต่แท้จริงคนมีปัญญาเอ้าก็ผีมันไม่มีตั้งแต่กลางวันแล้วกลางคืนเราไปดูหนังผีมากแล้วเราแต่เกิดมาไม่เคยเห็นผีเลยแล้วก็ไปถามนี่ แต่ละคนบอกว่ากลัวผีออกไปก้อนนอกคืนกลัวผีแต่ถามดิผีถ้เหมือนกันอ่ะมันจะต้องผีต้องมีรูปร่างเหมือนกันแต่ไปถามแต่ละคนเนี่ยรูปร่างผีไม่เหมือนกันผีใครผีมันเลยว่าผีคุณเป็นยังไงผีฉันผมพ่อขาวคุ้มโปงเนี่ยนี่ดูหนังผีไทยเยอะเฮผีฉันแบบดินปินตาหลอกผีฉันตาโบผีของฉันนอนขึ้นเหมือนพวกซอมบี้ ผีของฉันเป็นเหมือนแดกิลล่าแล้วแต่ว่าใครดูหนังปรเทศอะไรถ้ามันเหมือนกันเนี่ยผีทุกคนจะต้องเหมือนกันว่าออกไปข้างนอกเราจะต้องเห็นผีเหมือนกันหมดแต่ผีใครผีมันองค์แต่งเอาเองแล้วหาท่าพุดโถงุทโถงุทโถพุทโถงุดโถเพื่อมาทํำลายผีเรื่องให้หายกลัวผีแต่คนมีปัญญาเข้าไม่ทำอย่างนั้นคงมีปัญญาเขากลัวเป็นผีมันมันปูงขึ้นมาเองแล้วทําไมต้องไปคิด หาอะไรมาทำลายผีพอมีปัญญาแผงสะลุ น, นี้ความเป็นตัวตนของผีก็ไม่มีหายไปเช่นเดียวกันความเป็นตัวตนของเราไม่มีแต่แรกแต่เรารู้สึกตัวตัวเราเป็นตัวมีตัวตนขึ้นมาหรือคิดว่ามีเรามีความรู้สึกเราเราเราเราจะวุธเราอย่างนี้เราอย่างงั้นเราอย่างนี้ที่มันคิดปฟูขึ้นมาตอนนอนหลับไม่มีเราหรอกนอนหลับคลอกไปไม่รู้เรื่องเลยแต่พอตื่นขึ้นมาปุ๊บเรา เดี๋ยวเราจะต้องอยู่ตรงไหนถ้าเราอย่างนี้ตอนนี้เราจะไปไหนเราจะโดนย้ายไปไหนหรือเราจะได้หรือเราไม่ได้ก็จะเล่าจะเกิดขึ้นมาตอนที่เราตื่นตรงนี้แน่เราก็จะปูปเป็นเราเราเราเราเราเรจะหาวิธีทางคิดว่าทําไงเราที่ทำลายความเป็นความเป็นตัวเราได้แท้จริงคนมีปัญญามันก็เหมือนกับที่ไปคิดปรุมเรื่องผีเฮ้ยตอนเราไปนอนหลับความรู้สึกเป็นตัวเรามันหายไปไหนพาเราตื่นมาความรู้สึกเป็นตัวเรามันมาเลยเราคิดปรุขึ้นมาแล้วก็ไปคิดาหาวิธีวิธีทุกวิถีทางหา ก, กัน กรรมวิธีในการปฏิบัติทุกวิถีทางมาทําลายความรู้สึกเป็นตัวเราแต่ทําไมเราไม่มีปัญญาต้องโต้ลงไปเลยว่านนไอ้ดีเลยความรู้สึกเป็นตัวเรามันมาจากความคิดแล้วไอ้ไอ้ไอ้ผู e ้คิดเนี่ยไอ้ไอ้กายเรียกว่าอะไรวะกายจิตกายที่คิดปรุงแต่งเป็นตัวเราตัวเราเนี่ยมันเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะเออมันเป็นของไม่เที่ยงตัวตนมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นของไม่เที่ยงอ่ามันคงเป็นของมองไม่เที่ยงมันเป็นของตายไปยุกอะไรของตายมองไม่เที่ยงก็เลิกยุกกับกายจิตเลิกยุกกับกายเนะ เลยเข้าถึงใจที่ไม่ปูุงแต่งเลยเป็นของที่ไม่ตายไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทาลายไม่ตายแล้วก็เราก็มีชีวิตยอยู่ในโลกเราก็ใช้กายเนื้อกับกายจิตทํางานอะไรไปตามสารพัดจะทําเราเหนื่อยเราก็ใช้เข้าฌานมาเราเหนื่อยเราก็อธิษฐานจิตอะไรมาเราจะใช้อธิฐานจิตทําอะไรเราก็ใช้อธิษฐานจิตเอาใช้กายเนื้อกักายจิตฝึกฝ น, นทํานองทำนี้ให้มีฤทธิ์มีมีอำนาจมีบุญบา ร, รมีให้ทานรักษาศีลภาวนามาเรายังไม่ตาย แต่เพื่ช่วยแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่นช่วยสอนผู้อื่นแล้วก็ใช้ประโยชน์เต็มที่ตามกําลังความสามารถแต่ใจของเราเป็นใจอยู่ตลอดเวลาที่ว่างเปล่าไม่เอาอะไรไม่ยึดอะไรอยู่กับใจของเจ้าของไม่เอาใจของของไปอยู่กับอะไรไปยึดอะไรอยู่กับใจที่ว่างเปล่าก็ไม่ยึดใจที่ว่างนั้นด้วยเพราะว่ามันเป็นใจที่ว่างก็ต้องไม่ยึดทําไมแล้วต้องไปทําลายอะไรถ้าไม่ยึดก็ไม่ต้องทําลายทําลายแหละทําลายความหลงยึด ทำไมยึดอะทุกอย่างเห็นว่าแม้แต่ความรู้สึกเป็นตัวเป็นตัวความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเรามันก็เป็นของปรุงแต่งแล้วเราต้องทําลายอะไรมัมันเป็นของตายเมื่อเราไม่ไปติดของตายมันก็เคลืถึงใจไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายไม่ไม่ตายเข้าใจไ้ยเข้าใจครับอืแต่งานทางโลกก็ต้องทําอยู่ครเพราะว่ามันยังไม่ตายครท่านก็ต้องมีความรู้ความสามารถเท่าไหร่ก็ทําเต็มกำลังความสามารถแต่ใจเท่านั้นไม่ยึดอะไรถ้าเมื่อไหร่ ตายก็ตายวันนั้นแต่ยเป็นอยู่ในใจที่ไม่ยึดอะไรแต่มีชีวิตอยู่ทําประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ราชการแต่ใจไม่ยึดส่วนที่มันเลื่อนขั้นเลื่อนแหน่งไปอยู่ที่ความดีบุญบา ร, รมีของแต่ละคนสร้างมาไม่เท่ากันทั้งในอดีต ท, ทั้งในปัจจุบันสร้างบุญบา ร, รมีไม่เท่ากันจิงเติบโตไปไม่เท่ากันในรุ่นของท่านก็เติบโตไปไม่เท่ากันอยู่ที่บุญวัสนบา ร, รมีสร้างมาแตกต่างกันครับนี่เข้าใจแล้วครับ ไม่ต้องไปห่วงกังวลมาแล้วบุญวัฒนาบรารมีของเก่ามาสร้างมาดีแต่อของใหม่ก็สร้างมาดีไม่ทำบาปกรรมาตัดร้อนมันไปได้เพรมันนอ่ไงครับมันมีหนทางไปได้ครับเพราะว่าที่ที่ถามหลวงตาสักครู่คือเหมืนหอนว่าในบางครั้งเราทำงานแล้วเราตั้งใจที่ทำแล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติเราก็จะมองว่าเราเราปฏิบัติทางธรรมในส่วนทางโลกแต่หลวงตาก็ตอบเลย ว, ว่า ทางโลกก็คือทําหน้าที่ขอทางโลกทําทําแล้วก็ดูดูที่ใจของเราครับกับขอบคุณหลวงต้าครับถ้าอย่างนี้เราก็ทํางานได้ความสุขสบายสบายใจมากเลยก็อยู่กับใจของเจ้าของไม่เอาใจว่าเจ้าของไปอยู่กับอะไรไปยึดอะไรก็ว่างเปล่าอยู่กับเพราะว่าเมื่อไม่เอาใจไปยึดอะไรมันก็ไม่มีตัวใจไม่มีตัวตนใจมันก็ว่างเปล่าจากตัวตนเราก็ทํางานได้เต็มที่เลยนะแล้วก็ทํางานในสิ่งที่ชอบเพราะ พระเจ้าใช้คาว่าสัมมาชีวโวเราก็าประกอบอาชีพโดยชอบดําเนินชีวิตโดยชอบคิดชอบพูดชอบกระทําชอบประกอบอาชีพชอบอันนี้ก็เดินตามอริยมรรคในองค์แก็ทําเต็มที่ถ้ากำลังความสามารถสึงกว่าจะแตกลับไปอ้าท่านอยู่อย่างนี้ถ้าท่านกำลังอะไรอย่างนี้ถ้าท่านมีามีปัญมีสัมมาสติคือปัญญาเห็นชอบมีสัมมาถสติมีสติชอบ มีความเพียรชอบก็มาวัยมะความเพียนชอบคือท่านก็มีความเพียรเนี่ยอย่างที่ท่านรู้ละปล่อยวางมาแล้วมีสติชอบมีสติก็คือเป็นผู้ที่อยู่กับใจก่อนเจ้าของไม่เอาใจก่อนของไปอยู่กับอะไรแล้วก็มีสมาธิชอบใจของท่านก็อยู่กับใจก่อนเจ้าของนี่มันก็เป็นสมาธิเพราะว่ามันไม่ฟุ้งซ่านไม่สัส่นใจไม่มีความทุกข์ไม่มีกังวลเพราะอยู่กับใจก่อนเจ้าของไม่เอาใจก่อนเจ้าของไปอยู่กับอะไรใจมันก็เลย มีส ต, ติมีสมาธิมีปัญญามีความค้นคุกอยู่ในตัวนี้แล้วมันก็จะคิดชอบพูดชอบกระทำชอบประกอบวิจิตรชอบเองแหละมันก็จะรู้เองว่าอะไรชอบหรือไม่ชอบในใจของเจ้าของเพราะมันใจไม่ไปยึดอะไรแล้วมันก็ทําอะไรได้เต็มที่เลยโดยที่มันไม่ได้ยึดมันก็จะรู้เองว่ามันไม่รู้จะไปทําอะไรให้ที่มันไม่ชอบครับมนมต ก, การอาจารย์ค่ะลงเปก็อยู่อยู่อยู่ ดูอยู่ทุกคิดไม่ติดไปนะคะของตาไม่ไม่ติดไปไม่ยึดอยู่ก็รู้ค่ะมาฟังฟังที่อธิบายให้หลองคุ้มกลับเขาคนนี้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะเขาจะยังไงต้อบอกด้วยก็ก็รู้แล้วก็ไม่ยึดไม่ยึดไม่ยึดทุกอย่างนะคะดีขึ้นบ้างหรือเปล่กปาก็อาจารย์หลังจา ทำไม่ถูกมานานก็ดีดีแล้วอ่ะแต่ก็มีอย่าที่ต้องเข้าใจก็คือว่าตรงนี้สําคัญมากนะสําคัญมากเลยตรงที่จะพูดตรงเนี้สําคัญคือเราเนี่ยคอยจะดูตัวเราว่าไม่ให้ตัวเราเนี่ยไปยึดอะไรเราคอยจะดูตัวเราตอนนี้ยพอเข้าใจหมดแล้วตอนเนี้คอยจะดูตัวเราว่าไม่ให้ตัวเราไปยึดอะไรตอนนี้เราไม่ยึดอะไรตอนนี้เราไม่ยึดอะไร ตอนนี้เราไม่ยึดอะไรตอนนี้เราไม่ยึดอะไรตรงนี้อ่านใจไม่ขาดอันนี้เจ็นนเบปวดมากเลยมีตัวตนคาอยู่เลยตายแล้วก็มาลากเลับไปเลยเพราะว่ามีความเป็นอยู่พยาไม่ตัวเราไม่ยึดอะไรกันไว้ทุกอย่างและที่สุดตัวเราจะถดถอยทุกอย่างถอดถอยทุกอย่างมาอยู่กับตัวของตัวเองแต่ไม่ได้อยู่กับใจที่ว่างปล่าจากความยึดมั่นถึงมันแต่มานหยุดถอยตัวเองเข้ามาอยู่กับตัวของตัวเองแล้วก็สุดท้ายหลุดโลก มาอยู่กับใจของมาอยู่ไม่ได้อยู่กับใจของของที่ว่าฝ่าที่ไม่ไม่ยึดอะไรแต่กับว่าถอยจากทุกอย่างในโลกนี้มาอยู่กับตัวของตัวเองอยู่กับตัวเป็นตัวเป็นตนอยู่กับตัวของตัวเองแล้วที่สุดเนี่ยมันก็จะพาตัวเองเข้าไปติดกับคือมีความสงวนรักษาตัวเองให้ตัวเองไม่ไปติดอะไรแล้วที่สุดจะถดถอยโลกแล้วที่สุดแล้วเข้ามาสร้างโลกของตัวเองเข้ามาสร้างโลกของตัวเอง คือเอาตัวเองอ่ะเข้าอยู่ในห้องขังคือความว่าเปล่าปัสจักความวุ่นวายใดๆในโลกไม่อยากยุง่งวุ่นวายไม่อยากเอาใจยุ่งวุ่นวายกับใครในโลกแต่ตท้ายน่ะยุ่งแต่เรื่องของตัวเองตรงเนี้ยอ่านใจติไม่ขาดเราเห็นแล้วเห็นไหมหลังที่สุด <คา S 2> จะเป็น <สด S 2> ย, ยามกระยำจะเป็ยามถอดถอยโลกถอดถอยโลกถอดถอยโลกถอดถอยโลกจนเหมือนกับคนหนึน่งที่ที่มา อายุยังไม่ไม่มากถึงถึงกับถึงขั้นชร า, าเลยเราตามาจะอยู่บ้านบ้านคนชร า, าแล้วไม่เอาแล้วพอดเกรียมอยู่บ้านคนชร า, าดีถ่ายหรือว่าเอเอรี่หรือว่ า, อ, าออกโ ans, โออกครบหกสิบแล้วแต่ยังแข็งแรงไปมาไหนไปไหนได้ขับรถมาได้แต่เอาตัวอยู่บ้านคนชร า, าแล้วถดถอยจากโลกถดถอยจากสังคมแล้วไม่เอาเบื่อโลกเบื่อสังคม ไม่อยากวุ่นวายกันแล้วในโลกนี้ไม่อยากออกไปประทบกับความวุ่นวายอยู่ในบกบ้านพัคุณจลาญมีความสุขสบายดีไม่ต้องรับรู้อะไรโลกภายนอกไม่ออกมาเลยแต่เพื่อนๆทั้งหลายเป็นห่วงออกมาออกมาให้ตื่นออกมาตื่นออกมารับรู้ความเป็นจริงตัวที่ใจไม่ยึดอะไรไม่ไม่เหมือนกันนะตื่นออกมาตื่นออกมารับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่ใจไม่ยึดอะไร แต่เนี่ยมันไม่ยึดอะไรแต่มันหดเข้าไปหดเข้าไปมีโลกหดเข้าไปแล้วไปยึดแต่ตัวเองไม่ยอมรับรู้อะไรเป็นยึดแต่ตัวเองที่สุดิแอบใจสบายเดินยิ้มไปไม่รับรู้โลกเรื่องราวของโลกใจสบายหดตัวเข้ามานะสุดท้ายนะ่ใครก็มีเป็นห่วงไม่หมดนะเพื่อนฝูงก็เป็นห่วงไม่หมดนะ ทำไปเป็นอย่างนี้ออกมาออกมาออกมาให้มันตื่นออกมารับรู้โลกตามความเป็นจริงแต่ใจไม่ยึดโลกแต่นี่มันหนีโลกไม่เอาแล้วใจฉันไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครต่อไปตอนี้ใครจะเป็นยังไงใจจะไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครฉันไม่เอาแล้วจะไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครที่สุดแล้วปวดถอยก็ไปปวดถอยก็ไปเราจมเหมือนตอนนี้ยจมเอาตัวเองจมเข้าไปอยู่ในโลกที่ตัวเองสร้างไว้ ไม่ได้ปล่อยวางไม่เหมือนกันนะสัเกตได้ดีนะตรงนี้อยู่โลกได้ใจไม่ยึดโลกแต่นี่หนีโลกเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองไม่เหมือนกันนะตรงนี้เข้าใจไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องให้คนยึดของให้ลองื่อออะไรไปอนีมีองหนียีตนี้ฟังตรงนี้ว่ามแตกต่างไม่เข้าใจยังว่เนี่เป็นจะแจกความแตกนะตรงนี้ตามความเข้าใจของของตัวเองนะครับว่า เราเกิดมามันไม่มีอะไรอยู่แล้วจนมันโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มมีร่างกายมีกายแล้วก็เริ่มมีความคิดเริ่มสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมก็เริ่มมีจิตซึ่งตรงนี้เราเราไปหนีมันไม่ได้เราเราต้องยอมรับกับกับสองประเด็นนี้เป็นเรื่องของกายและจิตเมื่อเรายอมรับได้แล้ว เราก็ค่อยมาพิจารณาว่าทั้งสองสิ่งนี้จุดจบของมันคืออะไรจุดจบของกายก็คือก็ต้องกลับไปในส่วนที่สุดท้ายก็ต้องไม่มีกายเพราะมันก็ต้องปุเน่าเปื่อยปุพังส่วนของจิตเดิมมันไม่มีอยู่แล้วตั้งแต่เราเกิดแต่เราไปเจอการพบปะเจอสภา พ, าพแวดล้อมเลยทำให้เกิดความรู้สึกคิดปรุงแต่ง ซึ่งเมื่อเราหยุดคิดมันก็จบมันก็ไม่มีถ้าเราพยายามพิจารณาทั้งสองอย่างอยู่เรื่อยด้วยความข้าใจของผมซึ่งผมก็ยังไม่เคยที่จะลองปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามแนวทางดวงตาก็จะพบว่าทั้งสองอย่างมันไม่มีอยู่จริงแต่เราต้องอยู่กับปัจจุบันเพื่อให้ดำรงชีวิต ต, ต่อไปตามธรรมชาติสักพักก็คงจะเข้าใจว่าสุดท้าย ทั้งกายและจิตที่คิดคุงส้างมันก็จะไม่มีแล้วก็จะเหลือแค่ความว่างเปล่าแต่ในส่วนของการปฏิบัติที่ผิดโดยที่ไม่คิดถึงกายและคิดถึงจิตคือคิดถึงแต่ตัวเองว่าจะไม่สัมผัสกับอะไรเลยจะไม่ไปแตะต้องจะไม่ไปยุ่งให้ร่างกายต้องเจ็บให้ร่างกายต้องมีความสุข หรือว่าให้ความคิดไม่ดีเข้ามาในร่างกายโดยที่ไม่รับรู้สิ่งแวลดล้อมโดยที่ไม่ออกไปเดินไม่ไม่ไปสัมผัสอยู่กับโลกของตัวเองเข้าใจนะวินาทีนี้ว่าเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องแล้วไม่เป็นไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นความคิดก็ไม่พัฒนาร่างกายก็ไม่พัฒนาสุดท้ายก็จะก็ถอยไปเรื่อยๆแล้วอาจจะผิด ทางธรรมชาติขึ่งจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ยังไม่เคยพบก็จะต้องศึกษาต่อไปครับสาธุเลยเนี่ยเอมาที่หลังเนี่ยแรงแล้วเนี่ยไม่มาที่หลังจากไม่รู้อะไรเล ย, เลยจากไม่รู้อะไรเลยนะเนี่ยมาสดๆเลยไม่รู้อะไรเลยยังไม่เคยปฏิบัติธรรมยังไม่เคยรู้เรื่องของธรรมเลยแต่เข้าใจธรรมชาติแค่นั้นเนี่ย พอกเราเนี่ยจำจี้จำใจกันมาไม่รู้กี่วันต่กี่คืนกี่เดือนกี่ปีไม่จะว่ากี่วันกี่คืนนะกี่เดือนกี่ปีเนี่ยนี่มาที่หลังแหละมาสดๆเลยเนี่ยพูดออกมาจากใจเลยไม่เข้าใจยังไม่ได้เข้าใจเรื่องธรรมะเรื่องอะไรเลยแต่ธรรมะมันคือธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของชีวิตคือความจริงแต่ไม่รู้เราปฏิบัติจะเอ า, าอะไรกันทำไมก็ มันคือธรรมชาติของความจริงที่มันเป็นจริงอยู่แล้วหรือร่างกายก็ต้องตายแตกดับในส่วนจิตใจที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็ต้องดับลงมันไม่อาจจะมีอะไรเหลือให้ยึดมั่นถือมั่นได้มันก็แค่นั้นเนี่ยคือธรรมชาติมันมีอยู่แล้วจริงๆแต่เนี่ยพูดแลงวก็จะเอานูน่นเอานี่นะี่มันจะเอาอยู่นั่นแน่แต่ยังยึดนู่นยึดนี่เอานั่นเอานี่เนี่ยดูดิคนท้ายเนี่ยคนที่มาที่หลังที่หลังที่หลังเอา้า มันฟังแล้วก็เข้าใจได้แหละเห็นไหมเราก็ช่วยทําความเข้าใจหน่อยตรงเนี้ยช่วยทําความเข้าใจไม่ใช่ว่าเอาใจของตัวเองอะหลีกหนีทุกอย่างออกไปแล้วไม่ยอมรับรู้ตามความเป็นจริงไม่ยอมให้มีเรื่องอะไรมาทําให้จิตใจไม่สบายอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าใจไม่ยึดมันยึดใจจะให้ไม่มีเรื่องอะไรมาทําให้จิตใจของตัวเองไม่สบายอันนี้มันไม่ใช่ปล่อยวางอันเนี้ย เอออันนี้มันยึดเหนียวแน่นเลยมันป้องกันตัวเองเอาสติสเลยอันเนี้ยอันนี้มันติดพานติดพานของธรรมชาติอธรรมชาติมันก็เห็นแต่เพียงว่าสังขารร่างกายที่สุดก็ต้องตายแตกดับสังขารจิตที่สุดมีความรู้สึกในึกคิดอารมณ์มาก็ต้องดับลงที่สุดไม่เหลืออะไรเลยให้ยึดมั่นถือมั่นได้ใจก็ว่างป่าจากความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยคือแท้ๆหลักธรรมชาติ ธรรมชาติคือความจะคือธรรมชาติที่เป็นความจริงอย่างเงี้ยก็มีอยู่แค่นี้ไงอ่าวลองให้พีเสริมหน่อยได้ไหมพีที่ถามไปต่อมาตรงนี้ก็เริ่มคนจะเข้าใจมากขึ้นแล้วพีว่าไงคือตอนนี้ครับก็จากจากคําของหลวงตาครับคือรู้ซื่อครับคําว่ารู้ซื่อไอ้คาว่ารู้ซื่อมันก็เหมือนว่าเรา เราตั้งตัวอยู่เฉยครับไม่ว่าใจมันจะตื่นเต้นมันหัวใจตื่นแรงตื่นตื่นตืืืื่นเงาออกอะี้ครับเราจะไม่พยายามที่จะไปประคับประคองแล้วไปผักให้มันว่าเฮ้ยมันน่าจะใจดีอยู่นี้เนี่ยมันน่าจะไม่โกรธมันน่าจะไม่เครียดมันน่าจะไม่ตื่นเต้นเนี่ยนะครับคือการทํางานก็คือเหมือนกับการทําให้ใจมันดีขึ้นเช่นเดียวกันกับที่บอกว่าพยายามจะ ละไม่ยึดติดนะครับไอ้การไม่ยึดติดก็คือมันมีการความคิดเราที่เราจะไปกระทํากระทําในจิตของเราว่าควรจะกระทําอย่างนี้นะเพื่อให้ได้อย่างนี้แต่จริงๆเราควรจะดูโดยกรอกตาเฉยอ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อเอย่างนี้เองอ๋อใจใจเราตื่นเต้นหัวใจเราเต้นอย่างนี้เองอะไรเงี้ยอ๋อเป็นอย่าง น, น, นี้เราดีใจหน้าตาสดใส ย, ยิ้ม เลงล่าอยไรเงี้ยมีคําสูงหัวเราะกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองแต่ถ้าเกิดเราไปคิดว่าเราพยายามไม่ยึดอะไรมันก็เหมือนการกระทําแบบใดแบบหนึ่งที่เราจะไปทําเพื่อให้ได้ผลที่เราคิดว่าเราไม่ยึดแล้วเราพอใจกับสิ่งที่เราทำในปัจจุบันแล้วส่วนการที่เราจะดูแบบดูซื่อๆครับคือเราก็ต้องกล้า กล้าต่อต no ัว <sociaux> right right? เองว่ามันเป็นอย่างนี้นะเออไม่ได้เขินอายตัวเองคือพะเราคุยกับตัวเองแล้วเราคุยกับตัวเองเราคุยกับจิตตัวเองว่าเราตื่นเต้นเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายคนอื่นเพราะไม่มีใครรู้อยู่แล้วมีเรารู้เดียวว่าเราตื่นเต้นอย่างนี้เรากลัวตอนนี้เรากลัวนะตอนนี้เรารู้สึกวิตกกังวลวันนี้รู้สึกเรารู้สึกสับสนอย่างเงี้ยคือดูเฉยเฉยดูว่อ๋อตอนนี้เราสับสนเป็นอย่างนี้อาการเป็นงนี้ซึ่งผมก็ได้รับคําแนะนําจากหลวงตาไปเมื่อวานก็ วันนี้ก็พยายามดูดูบ้างแล้วก็เดินสติบ้างก็ผมคิดว่าถ้าทําอย่างนี้ไปเนี่ยมันก็น่าจะเข้าข่ายที่ว่าดูโดยไม่ยึดติดมันก็จะเป็นการไม่ยึดติดโดยอัตโนมัติครับไม่ต้องไปกระทําอะไรกับมันไม่ต้องไปพยายามปล่อยวางพยายามยึดติดพยายามละมันเงี้ยคือพวกนี้คือเราพยายามพยายามจะทําอะไรกับมันทั้งอย่างนี้นะครับมันก็กลายเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะ ได้อย่างนั้นอย่างนี้ตามนั้นนะครับหลวงตาจริงๆหลวงตาท่านท่านสอนเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายนะครับคือมหากาบทั้งหมดเนี่ยมันมันมันจบลงสั้นมากไล่ทบทวนมาตั้งแต่ให้มาดูว่าตัวเราจริงๆแล้วมันประกอบด้วยแค่สองส่วนก็คือมีกายเนื้อกับกายจิตแค่นั้นเองกายเนื้อก็คือเนี่ยร่างกายเรา กายจิตก็ความรู้สึกเมื่อคิดปรงแต่งท่านก็ชี้ลงไปอะไล่ลงไปว่ากายเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างมันเที่ยงไหมเราก็จะเห็นจริงว่าเออกายมีอะไรมันไม่เที่ยงเป็นของที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดของไหนไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าท่านก็บอกอยู่แล้วว่าก็ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นก็ให้ปล่อยวางเลยเสียซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้วหลงตาแล้ใช้ว่ามันเป็นของตายส่วนใหญ่ร่างกายเนี่ย เราถึงจุดจุดหนึ่งเราก็ต้องทิ้งอยู่แล้วมันก็ตีขนาดเข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกายกจิตที่เป็นความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งของเราครับเราก็คิดว่านี่แหละเราแต่หลวงตาก็ชี้ให้ว่ามันก็จะมีจุดที่เห็นเลยนะว่ามันไม่มีเราอยู่นะเอ๊ะแล้วมันตอนไหนก็คือตอนที่เรานอนหลับเออจริงไว้ตอนที่เรานอนหลับไม่มีจริงไม่มีเราเลยมันหายไปเลยเ อ, อมันหายไปเลย แต่พอตื่นขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยจะทำโน่นทำนี่มีเราขึ้นมาเลยคนโลกโลกก็จะคิดเรื่องทำเรื่องโลกโลกเพื่อสนองความต้องการตัวเองแต่นักปฏิบัติก็จะตีกรอบเข้ามาแล้วจะต้องทำลายความมีตัว ต, วตนทำลายตัวเราที่มันไม่มีอยู่จริงเนี่ยก็จะพยายามคิดทุกกระบวนกาเลย ใช้ทุกไม้ตายเลยฟังกูบาจารย์ที่ไหนเด็ดมาก็จ ะ, จะจะใช้ทุกรูปแบบอะเพื่อที่จะทำลายตัวตนเข้าใจว่าถ้าทำลายได้เนี่ยมันก็จะกลับคืนสู่ความเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมเลยจริงๆเนี่ยมันแค่เราเห็นมันไม่ได้เข้าไปร่วมกับมันถึงเวลาเนี่ยเขาเป็นของตายไงเขาก็ต้องต้องต้อ ง, องหายไปเอง แตถึงเวลาปั๊บมันฟึบมามันก็เราก็เข้าไปร่วมใหม่นี่ออกไวฮะเดี๋ยวเราก็เข้าไปร่วมใหม่เข้าไปร่วมใหม่ถ้าเราเห็นมันมันก็หายไปเองเดี๋ยวมันก็ต้องแตกดับแล้วมันก็สาละลายไปเองเพราะมันก็เป็นของตายจุดนี้หลวงตาแนะนําดีเพราะว่าถ้าเราสังเกตช่วงที่เราก่อนจะนอนมันก็จะค่อนข้างเดี่ยชัดเจนหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นความรู้วิทยายุทธ์อะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมะขั้นสูง เพื่อที่มาทําลายไอ้ความมีตัวตนเนี่ยเราก็จะสามารถปล่อยวางได้ง่ายๆเลยเพราะทุกอย่างมันก็ก็มันก็ไม่ได้เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่มันเป็นของมันอยู่แล้วซึ่งมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราแค่เข้าใจผิดว่าไปยึดมันพอมันไม่ได้ยึดทั้งสังขารกายแล้วมันก็ไม่ได้ยึดทั้งสังขารจิตมันก็คือปล่อยวางสังขารได้ เมื่อไหร่ที่ปล่อยวางสังขารได้มันก็จะพบกับใจที่เป็นวิสังขารโดยอัตโนมัติในวินาทีนั้นเลยพระราหันท่านก็อยู่กับใจแค่นี้เองแต่พอเดี๋ยวเราเป็นคนธรรมดาปับ๊บเราเคยเจอสภาวะธรรมที่มันเป็นวิสังขารหรือความไม่ปรุงแต่งแล้วการปฏิบัติเราก็ตีตลบกลับอีกเราก็จะไปยึดไอวิสังขารนั้นอีกปฏิบัติ ทำโน่นทำนี้ทิ้ผิดธรรมชาติอีกเพื่อที่ไปยึดไอตัวนั้นอีกที่เราเคยพบเคยเจอแล้วว่าดีเพราะครูบ า, าบอาจารย์บอกว่าไอเนี่ยของดีเราก็จะไปยึดอีกกระบวนการมันก็เลยต้องสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องยอมจำนนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสันขานกายก็ต้องปล่อยวางหน้าที่เรามีแค่นี้เห็นมันยึดหรือเปล่าไม่ได้เห็นไปพยายามปล่อยวางนะ เดิมๆมันไม่มีอะไรให้ต้องปล่อยวางเพราะมันไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้าสำรวจตัวเองก็คือมีสติเ น, นี่ยแหละมีสติก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวมันมีอยู่เปล่ามันยึดเปล่ายึดกายไหมยึดกายก็ปล่อยวางกายยึดจิตไหมยึดไอ้ความคิดนิพุงแต่งเป็นตัวเรามหมยึดจิตก็ปล่อยวางจิตแค่ปล่อยวางกายปล่อยวางจิตได้ปั๊บมันทะลุเข้าไปหาใจที่เป็นความว่างเปล่าอัตโนมัติอยู่แล้วถึงจุดนี้เนี่ยพอ พอมีความชํานาญบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะรู้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นสังขารที่มันเป็นความปรงแต่งเกิดขึ้นทั้งทางร่างกายหรือจิตใจอ่ะควบรวมเรียกว่าสังขารหรือสภาวะธรรมที่มันเป็นวิสังขารเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเขาเขาต่างที่จะทําหน้าที่ของเขาเลยเขาอยู่ของเขามันก็มีแค่รู้แค่นั้นเองถ้ายึดตัวไหนไม่ว่าจะเป็นยึดที่สังขารหรือยึดสังขารเป็นทุกข์ทันทีะ ภาพรวมมีแค่เนี้ยจุดนักปฏิบัติจะผิดกันมากๆเมื่อกี้หลวงตาชี้มาของคุณป้าบาลัยเนี่ยตรงนี้ดีมากเพราะเพื่อนผมก็เป็นอยู่เป็นตำรวจที่เป็นคนดีชอบฟังธรรมะแต่ก่อเนเป็นนักสืบเก่งมากพอพอล้างเวทีแล้วก็เหนื่อยไม่อยากจะทําอะไรละก็เลยถอนตัวเองออกมาเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้บริหารก็เป็นผู้ช่วยของของเพื่อนคนนี้แหละ คอยทํางานแต่ก็จะชอบธรรมะมากชอบปฏิบัติธรรมมากพูดอะไรได้เป็นธรรมะไปหมดอ่ะเป็นเรื่องของความปล่อยวางไปหมดคนภายนอกฟังดูคิดว่าอโอเคมากเลยอะ่ะชีวิตเขาโอเคมากเลยอะ่ะแต่ทุกวันนี้ยังเป็นสรรัรพัดอยู่เลยอะคือมันถดถอย <c oughs> การปฏิบัติมันถดถอยคือมันเริ่มปฏิเสธโลกข้างนอกเพราะเห็นโลกข้างนอกเป็นภาระเป็นเรื่องวุ่นวาย ไม่อยากอยู่เรื่องความวุ่นวายแต่ตัวเองไปตํารวจท่ามกลางชีวิตรับราชการของข้าเป็นตำรวจมันต้องสะเทินน้ำสะเทินบกอยู่แล้วไม่งั้นมันก็ไปในรอบเขาก็จะพยายามปลีกตัวออกจากความวุ่นวายมาอยู่ในจุดที่มันไม่วุ่นวายพอตรงนี้มีเรื่องวุ่นวายเขาก็หนีหลบไปอีกตรงนี้มีเรื่องคนว้ายเขาก็หนีอีกเพื่อนผมคนนี้ยที่นั่งอยู่เนี่ยก็จะเป็นคนคอยปะทะตลอด ชนให้ชนให้แมนแมนชนให้ไอ้ข้างหลังไม่เป็นไรไอ้คนนี้ก็สงสารเขาพอเวลาอธิบายหมีเขาเลยเข้าใจอ่ะเพราะของคุณปเคสคุณป้าอะไรเนี่ยเพื่อนผมหนีเนี่ยเขาก็เลยจะเข้าใจดีเลยเพราะว่าอ๋อเออเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นนักเป็นพิมพ์ของนักปฏิบัติที่จริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าไม่เจอกับสภาวะแล้ว ไปอยู่จุดที่มันเป็นใจที่มันสบายๆไอ้นั่นคือเป็นใจล้เข้าใจผิดเข้าใจผิดแต่จริงก็คือครูบาอาจารย์บอกว่านักปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าหลีกหนีปรากฏการใช่ไหมฮะปรากฏการเป็นปรากฏการธรรมชาติไม่อย่าไปหลีกหนีปรากฏการมันเป็นธรรมชาติเมื่อกี้หมีก็บอกเป็นธรรมชาติคนโง่คนโง่ชอบหลีกหนีปรากฏการอ่าครับครับ ในท่อนหนึ่งฮะ อ, อีกท่อนหนึ่งคนฉลาดเนี่ยปล่อยวางความปุงแต่งปล่อยวางความปุงแตงง่งปล่อยวางสิ่งที่ปรงแต่งทั้งหมดคือสังขารทั้งหมดสังขารกายสังขารจิตรวมทั้งส่งที่อยู่นอกตัวเราทั้งหมดนั่ น, นคือคนฉลาดปล่อยวางความปรงแต่งทั้งหมดปล่อยวางสังขารทั้งหมดแต่คนโง่ชอบหลีกหนีประพฤการทดถอยตัวเองเขไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วไปอยู่กับใจที่สบายอันนั้นคือคนโง่ ในตรงนี้มันมันมันจะผิดกันเยอะส่วนใหญ่คนที่ชอบสบายๆก็ก็ก็จะผิดกันประจําอยู่แล้วคนที่ชอบเข้าวัดเพราะว่าไม่อยากจะเจอโลกข้างนอกส่วนใหญ่คนที่ประกาศลงตายก็ค่อนข้างเยอะบางคนหนีมาบวชบ้าอะไรบ้างเอพราะไม่อยากอยู่บ้านเนี่ยฮะเพราะอยู่บ้านแล้วมันมันเจอการกระทบเไงฮะเจอการกระทบครับก็จะหนีการกระทบเพื่อที่จะกลับเข้ามา แต่จริงอทุกๆการกระทบเนี่ยมันเป็นวินาทีที่รับปัญญาของเราเลยว่าเราจะสามารถปล่อยวางตรงนั้นได้หรือเปล่า <_ S 1> เรายึดจริงไหมกระทบปั๊บจะรู้เลยอุ๊ยยึดป่ะูยังยึดอยู่เลยนะเนี่ยแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบเราไม่ชอบคนไม่ดีอะนี่อรอไหมแล้วเราก็เลยไม่อยากให้ใจเรามันไม่ดีแบบเนี้เราก็เลยจะพยายามหนี เวลาเจอกระทบแล้วเราไม่ชอบให้ใจเราเป็นคนคิดร้ายแบบนี้กับคนเนี้ยใจเรามันคิดร้ายอ่ะเราเจอกันทบแบบอย่างนี้คิดร้ายเราก็เลยจะพยายามเลี่ยงออกไปเพื่อไม่ให้ใจมันคิดร้ายกับแบบนี้แต่เราไม่ไม่กล้าพอที่จะตั้งมาปั๊บแล้วเห็นใจมันคิดปึ๊บขึ้นมาแล้วเราว่าอ๋าดีมันยึดอยู่นี่อ่าก็ปล่อยวางซะยึดแล้วปล่อยวางซะปล่อยวางซะปล่อยวางซะ เหตุอะไรนะที่มันถึงได้ยึดแบบนี้พอเห็นทุกปั๊บเนี่ยมันจะสาวไปหาเหตุของทุกได้เมื่อไหร่สาวหาเหตุของทุกอ๋อใจเรามันยังเป็นอย่างนี้มันยังมีความคิดร้ายแบบนี้ก็หยิบไปก้อนที่มันเป็นตะกอนของใจอ่อออกจากใจแล้วก็ปามันออกไปเสุดท้ายปับ๊บอ๋อเราก็จะสามารถล้างนิสัยที่มันไม่ดีออกไปได้จากใจจริง ไม่ใช่แค่เอาสารส้มไปแกว่งแกว่งแกว่งแกว่งแล้วก็ให้มันนอนก้นน้นําก็ใสนักปฏิบัติถ้าเป็นอย่างนี้ก็ก็ก็ได้กินอได้กินแต่น้ําที่แกว่งสารส้มอย่างเดียวแต่จริงแล้วก็คือมันต้องทําให้มันจะนอนก้นตะกอนหมดตะกอนจะสังเกตได้จากไหนตะกอนจะสังเกตได้จากเมื่ อ, อไหร่ที่แกว่งน้ําขึ้นมาปับ๊บมันเป็นตะกอนขึ้นมาปับ๊บเราจะสังเกตได้เฮ้ยมันมีตะกอนก้อนใหญ่ ไอ้ฝุ่นผงเนี่ยมันมาจากก้อนใหญ่เรื่องอะไรเรื่องเนี้ยมันเป็นนิสัยเก่าหลวงตาใช้คําว่ามันเป็นอนุสัยอิเลสเครื่องดองสันดาลของเรามันมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างสาวมันไปตรงเนี้ยสาวไปให้ถึงเหตุของทุกข์ที่มันนอนก้นอยู่พอเจอปั๊บเนี่ยเจอเหตุของทุกข์ปั๊บที่เขาเรียกว่าสมุทัยเนี่ยก็หยิบแล้วก็ตามออกไปเลยก็คือละสมุทัยทิ้งมันออกไปเลยจัดใจอ่ะ ค่อยๆทำค่อยๆ ท, ก, ทก็จะกลายเป็นคนที่ละเอียดแล้วก็ประณีตเป็นคนที่นิสัยดีมากขึ้นจริงๆไม่ใช่ดีแบบที่เราหลบหลบการกระทบแล้วเราเป็นคนดีอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็จะเจอการกระทบจริงๆแต่ว่าเฮ้ยมันมีคนดีได้ขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ย